นึกไปนึกมามันไม่ชอบคนแล้วมันไปชอบอย่างอื่นนะชอบบริการข้าวของเครื่องใช้ทําไงดีอกุศลวิตตกเนี่ยมันชอบได้หมดอะ่ะเมื่อความโลคเกิดขึ้นปรารค บ, บริการทั้งหลายปรารค บ, บาดปรารคจีวรเป็นต้นเนี่ยนะที่อยู่ที่อาศัยโยกยารักษาโรคก็มนสิการด้วยสา ม, มารถการพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเจ้าของแปลว่าสมบัติสาธารณะมีใครเป็นเจ้าของจริงๆหรอกและสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นของชั่วคราวเนี่ยนะ แต่ละอย่างก็เป็นของชั่วคราวก็ใช้ชั่วคราวเอ้าบอกว่าโอ้ชอบผ้าเหลือกเกินผ้าพื้นนี้สวยจริงๆให้ใช้พื้นนี้ตลอดชาติเอาไหมห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดอยงนั้นเหรอะนะใช้พื้นนี้แหละไม่ต้องซักไม่ต้องเช็ดไม่ต้องย้อมไม่ต้องอะไรเลยไอ้ผืนเดียวเนี่ยตลอดไปนี่ยนะซับเหงื่อไว้ตลอดเลยนะใช้พื้นนี่แหละตลอดไปเอาไหมก็ไม่เอาอีกางั้นเลยเนี่ยนะแล้วไม่เอาแล้วไปติดตรงไหนอะ บางทีก็ต้องแค่เรียกว่าแสะบ่อยๆเข้าเดี๋ยวมันก็ราวเองนะแสะบ่อยๆเข้าเดี๋ยวตันหามันก็ราวเองไอ้ชักไม่ไหวแล้วมาตันหามันก็เปลี่ยนที่ชอบไปเรื่อยเองนะมันก็ไม่เลิกอนะเลิกชอบอันนี้มันก็ไปชอบอันอื่นชอบอันอื่นแล้วก็ไปชอบอันนี้เป็นต้นเนี่ยนะบางทีก็ชอบบ้านเอาถ้าบ้านเนี่เต็มเลือดคราบเลือดเอาไหมบางทีกุฏิงามๆหรือว่าบ้านงามๆเนี่ยพอบอกว่ามีคนตายบ้านหลังนั้นเข้าเนี่ยไม่อยากอยู่แล้วนะชักไม่เอาละเนี่ยมันก็ สถานที่ทั้งหลายที่อยู่ที่อาศัยทั้งหลายถ้าพิจารณาโดยรอบครอบโดยแยกคลายจริงๆนี่ยนะมันก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออันนี้เรียกว่านิมิตอื่นนี่ต่อไปเอา้าเจริญไปเจริญมาเข้านึกโกรธขึ้นมาอีกแล้วทําไมดีด่าเราทําไมเนี่ยนะงงขึ้นมาเอา๊ะทำไมมันทําอย่างนั้นกับเราพูดกับเราอย่างนั้นได้ยังไงทําไมเขาทําอย่างนั้นเนี่ยนะนี่ทำยังไงเข้านึกโกรธขึ้นมาตังกิด ต, ตังกิดเลยเนะี่ย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 เอาไปเอามาเจริญไปเจริญมานึกโกรธฝนที่มันตกลงมาอันนีเอาไปฝนตกก็โกรธแดดออกก็โกรธเดินพื้นแข็งก็โกรธห้าวก็โกรธร้อนก็โกรธไปเตะน้ำเข้าก็โกรธไปเหยียบน้ำเข้าไปเตะตอเข้าก็โกรธไปหมดใบไม้ตกอะไรก็โกรธไปหมดเนี่ยนะจะทำไงดีคะนี่ควรมาณสิการถึงธาตุว่าพวกท่านโกรธปฐวีธาตุใช่ไหมโกรธอาโปธาตุใช่ไหมโกรธวายโยธาใช่ไหมโกรธเตโชธาตใช่ไหมอันนะ้น โกรธรูปปัทธาูปใช่ไหมโกรธจักหุวิญญาณธาตุใช่ไหมโต้เรงโกรธอะไรกันแน่เนี่ยนะโกรธทําไมเมื่อมนติการใส่ใจแบบนี้บ่อยๆก็เปลี่ยนนิมิตอื่นก็เลิกโกรธอันทีนี้ถ้าโมหะเกิดเนี่ยนี่แก้ยากหน่อยนะถ้าบันดาไอ้ที่แก้ยากที่สุดเนี่ยก็คือถ้าโมหะเกิดขึ้นมาแก้อย่างไงบอกเธอต้องอาศัยธรรมะห้าประการมีอยู่หวิธีที่กําจัดโมหะหนึ่งอยู่ร่วมกับครู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 อาจารย์ก็ตบแต่งแงไปแต่งมาเดี๋ยวก็ฉลาดขึ้นเองแหละคนนี้มันเหนื่อยขึ้นมันเริ่มคิดได้นะบางคนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คืออาจารย์ที่ที่ยังลงโทษลูกศิษย์อยู่นั้นแปลว่าลูกศิษย์คนนั้นยังเป็นที่สนใจของครูอาจารย์แต่ถ้าอาจารย์ไม่พูดไม่คุยนะถ้าเรารู้ว่าเมื่ อ, อไหร่ที่เราทําผิดนะและอาจารย์เขาไม่สนใจเลยเขาไม่พูดถึงเลยแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเรื่องเนี้ยมันผิดแล้วอาจารย์ generous, him, ก็รู้เห็นตลอดสายแล้วอาจารย์ไม่พูดอะไรเนี่ยให้รู้เธอว่าเราถูกฆ่าเรียบร้อยแล้ว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 แล้วก็มีลูกศรลูกศิษย์เป็นผ้าละหันมากมายแต่ตัวเองก็อยากเจริญกรรมฐานเนี่ยนะแล้วก็ตัวก็เรียนเยอะแต่ก็ไม่รู้จะเจริญยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนก่อนก็เลยในที่สุดก็ไปหาวัดแห่งหนึ่งที่วัดนั้นมีแต่พ้าละหันอยู่ทั้งหมดเลยเนี่ยนะแม้กระทั่งสัมเณยอายุ7ดขวบก็เป็นผ้าละหันเสร็จแล้วก็ไปหาเทระองที่หเนี่ยบอกช่วยสอนผมหน่อยเธอช่วยแนะนําผมหน่อยเธอองค์ที่1ก็บอกไปถามองค์รองไปแล้วกันเนี่ยนะก็ท่านก็ไปเนี่ยนะท่านก็สอนง่ายนะ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 ท่านนั้นเขามาก็บอกท่านเหตุผลน้อยกวนานี้ดอยได้ไหมนะหน้าเบื่อเหลือกเกินอย่างนั้นนะยาวมาซะยาวเลยบางทีเนี่ยประเด็นของเรื่องมันมีอยู่เท่าปลายเข็มเท่านั้นแหละถ้าอารัมพบทมาก็เรียกว่าต้องการปลาเข็มอยู่ตัวเดียวแต่ช่วยกันวิทสระน้ําใหญ่มากนีน่ติดตั้งเครื่องสูบสิบปดเครื่องอย่างนี้นเพื่อจะสูบ ป, ปลาเข็มตัวเดียวมันน้อยเกินไปบางทีมันไม่คุ้มค่าอะไรเลยเนี่ยนะมันคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยจะต้องขั้นแรกเลยถ้าเรารู้ว่าเราไม่ฉลาด แล้วก็ต้องหาคนที่กำราบเราได้คนที่เรายอมให้เขาหมดอะนะที่เดียกว่าเขาก็ต้องเก่งเขาช่วยเราได้แต่ถ้าหากว่าโอยโง่ก็โง่เนี่ยนะแต่ไม่มีใครอยู่ในสายตาเลยก็อันนี้ก็สัเพสัตตาแล้วคันนี้สัเพสัตตาอเวราโหตุอยู่เป็นสุขเป็นสุเธอเนี่ยนะมันก็อันดับแรกควิธีแก้ความโง่หาอาจารย์ที่ที่ลงโทษเราได้อ่ะที่เรายอมให้ลงโทษข้อแรกนะข้อสองเรียนอุเทศเรียนธรรมะ อาจารย์ย่อมลงธนกรรมแก่เธอผู้ไม่เรียนตามสมควรเช่นให้มาก็ไม่มาเนี่ยนะในเวลาเรียนก็ละเลยเนี่ยนะก็พวกนี้ก็ต้องถูกลงโทษ น, นะก็ถูกลงโทษหรือสาธยายแหมก็ง ำ, ง ำ, ง ำ, งำๆๆๆๆเนี่ยนะบางทีก็ ง, งำๆๆๆไม่ยอมจะสวดไม่ยอมจะท่องไม่ยอมจะจําอะไรเลยก็ไม่ยอมสาธยายสาธยายก็สักแต่ว่าพูดให้มันจบจบไม่ตั้งใจเป็นต้นอาจารย์แต่งอีกลงธนกรรมอย่างเดียวเนี่ยนะ กระบาดบาตรก็เรลงโทษอย่างเดียวเาเรต้องลงไม้หนักอย่างเดียวแต่ถ้าพวกไหนเขาเรียกว่าลงโทษแล้วก็โซ่ยังขาดเลยเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็โอโอหนาเกินไปเหมือนกันนะมันก็ต้องเมื่อเรีย น, นยอาจารย์ก็จะเรียนให้ข้อแรกก่อนถ้าพฤติกรรมไม่ดีก็กก ต, ต่อแต่งอาจารย์ทั้งหลายผู้เก่งเ น, เนี่ยเขาจะไม่รีบสอนเลยนะเขาจะไม่รีบสอนก็แต่งพฤติกรรมก่อนเนนะแต่งพฤติกรรมก่อนเพราะแต่งพฤติกรรมเรียบร้อยแล้วก็แต่งเรื่องวิชา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 อย่าง จ, งจริงๆอ่ะนะเขาบอกว่าสมัยนี้ประชาที่ปไตยใครทําอะไรได้ก็ทําตามใจตัวเองนะนะอ่ะที่จริงเนี่ยไอ้คาอันนี้มันก็พูดไปอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกนะสังคมยิ่งสมัยใหม่ด้วยอยากคิดนะแหมจะตัวเองอยากจะทําอะไรก็ทําอย่างที่ใจชอบอยากจะทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทํำไอคนนั้นนะถูกปลดมาเยอะตกงานเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยนะอ่ะโดยเครียกว่าไม่แบ่งชนชั้นวันนะโดยคําใช่แต่โดยพฤติกรรมเนี่ยมันแบ่ง โดยพฤติกรรมจริงๆแล้วในโลกนี้แบ่งมากเลยแบ่งสูงมากเลยนะก็เรียกว่าขีดต่างกันขั้นเดียวนี้ก็แบ่งกันเยอะแยะ แ, แล้วอ่างั้นเถอะไม่ต้องไปอะไรมากมายหรอก<ม>พัน เ, เมื่อมันเกิดการแบ่งแยกอย่างนี้ทำยังไงเราก็ถ้าหากว่าเราอยู่ระดับร่างเราก็ถ้าเราเนี่ยต้องการความเจริญอย่างนั้นเราก็ต้องโอนตามคนที่เขาอยู่ระดับสูงถ้าเราต้องการอยู่ณตรงนั้นแล้วต้องการเจริญณ์ตรงนั้นเราก็ต้องโอนตามเข้าไปเมื่อเราโอนตามเข้าไปๆๆเนี่ยนะเราก็ต้องต้องพยายามที่จะรู้ว่าเขาประสงค์อะไร เราอย่าเอาคําอธิบายของเราเข้าว่าเข้าใจแล้วเสร็จแล้วไม่รู้เข้าใจอะไรก็ไม่รู้อันนี้ฉลาดเกินก็ไม่ได้เพราะว่ามันบางทีมันก็เหมือนทางธรรมะก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้จะมาเรียนธรรมะทาไมถ้าก็เราเก่งอยู่แล้วไม่ใช่หรือแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่รู้เนี่ยนะเออแล้วจริงๆอ่ะมันคืออะไรจริงๆเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่ใช่ว่าบางทีเนี่ยเรื่องหนึ่งที่น่าหน้าเศร้าก็คือว่าเออเอาเรื่องอะไรไม่รู้มาแล้วก็เอามาให้เรารับรองให้ ยกเมฆมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้แล้วให้เราบอกอันนี้ถูกใช่ไหมห้ามบอกว่าไม่ด้วยนะนะพฤติกรรมนี้เขาบอกว่าอย่าตอบว่าไม่ต้องตอบว่าใช่ดีอนุโมทนาสาธุเนี่ยนะโอ้โหดีมากก็จริงๆแล้วมันก็มีอยู่เท่านั้นแล้วทั้งทที่มันผิดนะมันทำไงเอาพูดตรงกันข้ามเขาก็โกรธอันนี้ตรงนี้ก็ถือว่าลาบากไม่ใช่น้อ ย, น, ยนะ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 คิดว่าเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นไปตามคำของเราแม้เราพูดอะไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นโอ้ยสัจจะวาจาเท่านมีวาจาสิทธิอย่างนั้นสำเร็จด้วยวาจาอ่างนั้นเก่งจังเลยอย่างนั้นจริงไม่ใช่อย่างนัน้นเราต้องพยายามที่จะโอนพยายามที่จะสอบถามว่าท่านครับ เรื่องนี้มันเป็นยังไงอัฏถะอันนี้มันหมายความว่าอย่างไรพุทธะโพธตรงนี้พระองค์ประสงค์อะไรพระองค์ต้องการจะบอกอะไรเราเราจะเจริญคุณะงอกงามในคุณธรรมเหล่านี้ได้อย่างไรคือมันต้องตั้งโจทย์แบบนั้นเป็นนะคืเรียกว่าตั้งโจทย์เป็นต้องฉลาดถาม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 สงสัยให้เนี่ยนะละความสงสัยในพระพุทธเจ้าละความสงสัยในพระธรรมละความสงสัยในพระสงฆ์ละความสงสัยในศิษย์ขา้ลาละความสงสัยในอาธิศีนอาธิจิตและอาธิปัญญาละความสงสัยในศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านก็จะตกแต่งจนเราได้ดีแหละพังนั่นอันนี้ข้อที่สมก็คือการเข้าไปสอบถาม